ชื่ออธิกรนาวัตรว่าด้วยอาิกรทรงแสดงกำลังสองอย่างคือกำลังคือการพิจารณาหรือปฏิสังขณภพละกับกาลังคือการอบรมหรือภาวนาพละและตรัสอธิบายกำลังคือการพิจารณาว่าได้แก่การพิจารณาเห็นโทษของทุจริต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 ครั้นแล้วทรงอธิบายกำลังทั้งสองอย่างนี้อยักย้ายในต่อไปอีกสองแนวโดยอธิบายถึงกำลังการพิจารณาตามแนวเดิมส่วนกำลังคือการอบรมได้แก่การเจริญโพชชงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสสรู้เจ็ดอย่างมีสติเป็นต้นการเจริญโพ่ชงเจ็ดเป็นแนวหนึ่งกับอีกแนวหนึ่งได้แก่การเจริญฌานทั้งสี่ หรือการเพ่งอารมณ์ทรงสแสดงธรรมเทศนาของพระตถาคตว่ามีสองอย่างคืออย่างย่ อ, อ ก, กับอย่างพิสดารทรงสแสดงถึงภิกษุที่ถูกกล่าวหาในอธิกรกับภิกษุผู้โจทป้องว่าถ้าไม่พิจารณาตนให้ดีเรื่องก็จะยืดเยื้อร้ายแรงขึ้นและภิกษุทั้งหลายก็จะอยู่ไม่ผาสุก แล้วส่งแสดงรายละเอียดในการพิจารณาตนของภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นทรงแสดงธรรมแก่พราม์ผู้หนึ่งถึงเหตุคือการประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติไม่เรียบร้อยว่าเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อตายแล้วส่วนการประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติเรียบร้อยเป็นเหตุให้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์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 คือการยกบทพยัญชนะผิดกับการแนะนำความหมายผิดส่วนธรรมะสองอย่างที่ไม่ทาให้พระสัตวลทะเลือนอันตรธานคือการยกบทพยัญชนะถูกกับการแนะนำความหมายถูกวรรคที่สชื่อภาลวรค์ว่าด้วยคนพาล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 ตรัสแสดงธรรมแก่พรามผู้หนึ่งว่าพระองค์เป็นทั้งกิริยาวาทีคือผู้พูดว่าทมและอากิริยาวาทีคือผู้พูดว่าไม่ทมคือให้ทำสุจริตแต่ไม่ให้ทำทุจริตทรงแสดงธรรมแก่อนาถาบินทิกะคฤหบดีว่าทักกินเนยะบุคคล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 เพื่อไม่เป็นประโยชน์และความสุขและประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากทั้งทําให้พระสัตธรรมอันตรธานแล้วทรงแสดงถึงภิกษุที่รับรองอัตถธรรมะด้วยพระสูตรที่ทรงจําไว้ดีมีพยัญชนะวิจิตรชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขและประสบบุญเป็นอันมากทั้งดํารงพระสัตว์ทมไว้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 คือที่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวบริษัทที่มีแกนสารคือที่ไม่ลำเอียงเพราะรักเป็นตน้นบริษัทที่แนะนำยากกับบริษัทที่แนะนำง่ายบริษัทสองอย่างคือที่หนักในอามิตรคือเห็นแก่ลาบไม่หนักในสัตยธรรมกับที่หนักในสัตยธรรมไม่หนักในอามิตร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 หมายเหตุในหมวดห้าสิบที่หนึ่งซึ่งมีห้าวร์มีห้าสิบสูตรนี้ได้ย่อมากล่าวให้เห็นทุกสูตรส่วนหมวดห้าสิบต่อๆไปจะย่อพอเห็นความที่สำคัญ